ความมืดของวัดวลฏวไม่เหมือนความมืดแห่งดินฟ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฟ้าอากาศ น, นั้นมันมีมืดมีสว่างผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัฏวลภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไป เป็นความมืด อ, อยู่อย่างนั้นโดยสม่าเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่างสวายเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศนั่นเลยเพราะนั้นมนุษยศัตว์ที่มาเกิดจึงมาเกิดด้วยความมืด อ, อยู่ด้วยความมืด ตายไปด้วยความมืดแล้วไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดกพรานอะไรถึงว่า ม, มืดมืดเพราะไม่รู้ ม, มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่ทราบมาจะไปเกิดที่ไห่กลิ้งไปอย่างนั้นอ่ะเหมือนฟุตบอลอะไรทำนองนั้นแล้วแต่กรรมจะพาไปจริง กล่าวไว้ว่ากำมังสเตวิพัฒติตดีดังหีนัปปณีตังกามเป็นเครื่องจำแนกแจกว์ให้ตานีธหรือเรียวซามต่างกันหากว่าเราได้มาเกิดด้วยความสว่างสวยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่หลงทาง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 กี่กำเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับปนกคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนนคนภายในสัตว์แต่ละรายละลายจนนับไม่ทวนเพียงรายเดียวเท่านั้นอะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ำๆตรักในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างอยู่สถ า, านที่ใดบ้าง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 เราเป็นตัวการแต่และคนละคนถ้าจะนำเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเต็มโลกเเพียงเรื่องของคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวก็ดีไปไหนเหยียบย่ำตั้งแต่ป่าชาตป่าชาของตัวเองเท่านั้นแล้วคนนั้นก็เกิดคนนี้ก็ตาย สับปะนกคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่าช้าของสัตว์โลกผู้มืดบอดมีหรือไม่มีตายทำต้มตักษาตายทับตายผมทั้งเขาทั้งเรามันเป็นแบบเดียวกันมาด้วยความมืดบอดที่ไม่เข้าใจตนเองเลยไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองเลยนี่มันเป็นทำนองเดียวกันนี้มันเต็มโลกเต็มองศาลแล้วสถานที่ใดจะมาเหยียบปาช้าของเขาและของเรานั้น มันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วยังเรียก ว, ว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้อตั้งแต่ที่รู้อยู่มันก็สักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไรหรือมีความสุขความสบายยังไง ในการที่ผ่านมาแล้วในพบขาเหนือที่ผ่านมาแล้วพบนั้นพบนั้นพบนั้ น, น, นไม่ท่าไม่มากก็พอจําได้บางเล็กน้อยกับความเชื่อพอที่จะพูดได้ว่า อ, อ๋อสว่างมาหน่อยบองเล็กนั้นจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยไงแล้วทําไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นดั่งตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนจึงมาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบเหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็น อย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีที่นี้เราไม่รู้แล้วทีนี้เราจะเอาความไม่รู้นี่ว่าเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมายืนยันอย่นี้มันลบล้างความจริงวันนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้เถ้ามันไม่จริงทานมันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอด เพราเราทราบตามความคิดนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมซึ่งอย่างเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็โดยอํานาจวาสนาที่เคยได้สั่งสมไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นลนํำดับําับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นอุปนิสัยของเรายังมีอยู่ภายในใจิตใจมนดุลมัน ด, นนดาลให้พบศาสนธรรมอันเป็นประทีบดวงไฟ สองแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วพอจะได้ละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่รงเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนแล้วให้มีความจเจริญยิ่งขึ้นเพื่ะในการข้างหน้าแม้เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุปรูปลงไป ในภพชาตินั้นๆก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทงคะุเป็นผู้พาทาเก้าไปเป็นผู้พยุงเป็นผู้ชักจูมหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปท่านจึงให้เชื่อกรมเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเองเราต้องเชื่อกรมถ้าสามารถแล้วควัมภีรกรรมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาธุท่าน แต่ว่ากิริยาที่ทําในอัตภาพที่ท่านพ้นไปแล้วนั้นนับแต่ขณะที่พ้นไปแล้วคำว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะเหยียบย่ทำทําลายจิตใจของท่านได้อีกต่อไปยึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผู้เห น, นั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับส น, นุนเป็นเฉลิมทิศอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้น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 เวลาความจริงหีเราเป็นผู้เชื่อกำเราจึงนั้นอุตส่าห์พยายามที่จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายเราบำเพ็ญกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชไม่ว่าคุ้กนัตถาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลำบากต้องฝ่าฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดี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 กุศลนี้พาให้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญายาณให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในชาตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักษ์เรียกว่าสว่างไปอย่างเต็มที่เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นผู้สว่าง แทนทั้งกูกลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่จะปิดบังได้ตามหลักธรรมท่านวาไว้สี่แยกเป็นสีแน่แขนงสีประเภทตโมตะมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปนี่อันนั้นตโมโชติปรายโนมืดมาแต่สว่างไป โชติโชติปราญโนโทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปนี่หมายถึงความสว่างเมื่อกุศลด้วยการประพฤติตัวคำ ม, มืดมามืดไปนั่นก็มาเกิดก็สักแต่ว่ามาเกิดเกิดแล้วเพีงแต่ร่างเป็นมนุษย์จิตใจที่จะใฝ่ต่อบุญต่อกุศลเชื่อต่อบากต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรียกว่ามืดมาก็มืดมาอย่างนั้นดูก็มืดอยู่ไปก็มืดไป หะสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งๆ ท, ที่ก็หวังอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปผู้มืดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทำความจั่วเสีหายไม่ดีไม่งามมาแต่ก่อนแล้วพอรู้สึกตัวแล้วกลับตัวประพฤติตัวเป็นคนดีต่อไปก็ชื่อว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไป ผู้สว่างมาและสว่างไปโชติโชติปรายโนหมายถึงเวลา ม, มาเกิดตั้งแต่เริ่มแรกรู้เดียงสาภาวะมาก็พยายามทำแต่ความดีเรื่อยมาจนกระทั่งอวสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นยมืดมาโอสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่แยกกันได้หลายประเภทนี่แสดงแต่ยังเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายนี้ไม่ใช่ว่าจะแจงประตุกาแหนงแสดงตั้ง แต่เพียงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นําไปพิจรารณาคำว่ามืดนั้นมืดเพราะอะไรมืดเพราะกิเลสตัณหาอาสะวะมืดเพราะบาปอกุศลคำวมาสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุ ณ, ณธรรมคุณงามความดีมีฐานสินพนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยคุ ณ, ณธรรมเหล่านี้ถ้าคุ ณ, ณธรรมเหล่านี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันชาติ ตัดขาดจากวัฏตะผลทั้งหลายให้พ้นไปได้ในประจักษ์กับจิจตใจตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวกทั้งหลายเป็นพ้นเห็นประจักษ์ภายในจิตใจนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านเรานี้ท่า น, เ ป, นเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ่งถึงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่านผู้เป็นเช่นนั้นสําหรับเรานี้เป็นพวกเราทั้งหลายนี้เป็นผู้แบกปัญหาทั้งหมด จึงเป็นภาระอันใหญ่แต่ปัญหาทั้งสามโลกนี้อยู่ภายในจิตใจของเราดังนั้นจึงต้องหนักไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเพราะปัญหายังมีอยู่ที่ใจคําว่าปัญหาก็ต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของยิเลสมีอยู่มากน้อยภ า, ายในใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาตนได้การสร้างปัญหาขึ้นมาก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ความลำบากเจ็บตนในภพชาตินั้นอยู่โดยดี ถึงจะไม่มีมากคําว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการเหผ่านมาเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายนใจิตใจเช่นเดียวกันนักปาชทั้งหลายท่านจึงําเร็จที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระอยู่ในวัยที่เหมาะสมอยู่แล้วด้วยถ้างกายไม่ขาดตกบกพร่องอันใดหูตาก็ดีจิตใจก็ไม่เป็นไม่บ า, บาเสียชีวิตได้มาประพฤติรสมจริ์ การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลชาติธรร ม, สสรรมนี่ถึงชื่อว่าเป็นการบำบุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำํำดับลําดับคําว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำบุงต้องจเจริญขึ้นโดยลำํำดับลาดับอะไรก็ตามเมื่อ้รับการบำบ u l o n ย่อมจะมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีวิญญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ ก, ก็ยังต้องเติบโตจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ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 หรือผู้ใดที่จะพอปวดตุ้มความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจของตนให้ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้ใบพึ่งพาผู้นั้นให้ช่วยปวดตุง้งแต่นี้จำต่างคนต่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกของคนอื่นมาราบอีกก็ไม่ได้จะไปแบง่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีหรือมีตั้งแต่บุบบายช่วยสอนมันไปแล้วนั้นนี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความ ร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอและจากตัวเองนั่นลหละโดยเฉพาะแล้วเราจะหาอุบายวิธีใดสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้สมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความจบเห็นไดใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอยบีบพันอยู่เรื่อยๆมาบางทีก็มากบางทีก็น้อยอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นจาก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 ปรากฏผลหรือเป็นความสุขความสบายเป็นหนึ่งนี่สมกับใจมีเจ้าของเมื่อเรียกร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยเช่นเดียวกับสัตว์วิ่งเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีสุนัขเป็นต้นมีใครจะกัดหรือใครจะฆ่าจะตีนวิ่งเข้ามาพึ่งเจ้าของเฮนี่จิตใจก็เป็นสมบัติอันหนึ่งของเราเอซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาแก้ไขดัดแปลงถ้าอยู่ใน ความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่า น, นั้นกับความเจเย็นก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับด้วยการประกอบคุณงามความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีอัตาตาเหตุโนโนอาโผนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่คับเขา้าที่คับขันพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่อาจสามารถที่จะปวดเพื้องไม่อาจสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่จําเป็นโดยเฉพาะตัวแท้ๆไม่ว่าพ่อแม่หรือใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเราอันี้เนี่ยเราก็เป็นเหมือนท่านานะเพราะทจึงว่าอัตตาเหตุโนนัโถจงต้องรีบพยายามช่วยตัวเองยกตัวเองหนักเบาขนาดไหนให้ช่างตัวงยกดูตั้งแต่บัดนี้ไปยังไงจะยกพอยกไหวไหม จะยกตัวพอไหวไหมจากทุกจากความลำบากลำบนจากความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับจิตเนีเช่นเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหนักเข้ามาหนักเข้ามาเป็งไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลียยฉลาดสามารถเพียงแค่ไหนที่จะหลบบีปตีตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังกันเข้ามารอบตัวเนีน่ไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมันมีแต่ความทุกข์มีแต่เืนแต่ไฟเราจะมีอุบายวิธีอย่างไรบ้างจะพอสู้ไหวไหมหนี่เราพยายาม ตวงยกตวงเจ้าของทดสอบเจ้าของทเทียบเชียงเหตุผลเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าอัตหิกโนนาโถพยายามช่วยตัวเองอย่างนี้จงกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี่ตกไปหมดเลย น, นั่นนี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยโดยทางจิตตภาวานาพิจารณาตนเป็นอย่างนี้ เพราะทาลาอันนี้หนักมากค่าศึกอันนี้หนักมากยิ่งกว่าค่าศึกใดค่าศึกในธาตุในขันนถึงวนาจะไปจริงๆโอ้โหขย่าวให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไฟไประมตามกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบพอบให้เห็นเหตุเห็นผลแยกส่วนแบ่งส่วนออกหน้าอย่าง ชัดเจนประจากภายในใจผู้นั้นละ่ะคือว่าอาตัตตงอิตโนนาโถได้เต็มผูไม่เดือดร้อนเอยกไม่ไหวแล้วเหลือส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งซะสินานอันไหนที่ยกไหวแล้วอ้าจิตเนี่ยยกด้วยสติปัญญาไหวผ่านนานอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุขันมันหนกักพาระฮเวปัญจักขันธาพาละพาราฮาโรจัปุคโลภาราขันธ์ห้านันเป็นพาระอันหนักนะเอะอันพี่นะโดยปัญญาแล้วปล่อยมัน ถึงคขาจะปล่อยปลอยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้เอปลอยให้ปล่อยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปหวงหว ง, หวงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์ขึ้นจะเจ็บของเฉยๆเพราะฝื้นเหตุฝืนผลฝื้นหลักความจริงการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยตามสภาพแห่งความจริงนั่นแน่คือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบรื่นของจใจที่จะไปอย่างไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใหญ่เรียกวหายห่วงนี่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 เราเป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาแยกแยะออกหาทางหลีกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นชื่อว่าอัตตเหตโนนาโถไม่ผิดนี่แหละทำบทนี้มีความจําเป็นอย่างนี้ยิ่งเข้าตาจนท่าไหอัตติยตโนนาโถจะมาทันทีไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะที่จะหวังให้ช่วยเอาเรายังหวังอย่างนั้นแสดงว่าจะกอความเดื อ, รอดร้อนให้แก่เรามากมา่ เราไม่หวังทั้งหมดสาธุพูดไม่ประมาทเราพูดตามความจริงพ่อกับพ่อก็ให้นั่งอยู่สบายาเรื่องของพ่อของแม่แม่ญาติวงช้ามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้นจะไปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดจา ก, จากหลักอัตตาเหิจนูนาโขตนกําลังจะยกตนแต่ให้คนอื่นมายกแล้วคว้าจากคนอื่ น, น้ยุ่งไปใหญ่เลยพึ่งตนเองไม่ได้นั่นะยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วก็จม เพื่อความถูกต้องถึงวาระจำเป็นเข้ามจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวานไว้ตามเป็นจริงสิงในใดสิในใดก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี่ให้ปล่อยตามสภาพเราจะไปขวางเวลานั่นเที่ยวเราเราจะไปขวางเรือต่อยให้มันหลไปอันนี้เหมือนกัน คติธรรมชาติคติธรรมนานี่เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบเบื้องปัญญาปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงเรื่องอัตตาอินโนนาโถนผู้ยังไม่เข้าใจคำว่ า, าอัตตาอิจ น, นาโถนกรุณาพิจรนาให้ดีนี่เป็นทำขั้นสูงไปโดยลำดับส่วนขั้นตะขั้นต่ําำทั่ทั่วไปนั้นอัตตาอิจ น, นาโถตอนในเชื่อของตอนนั้นแม้แต่คนใช้ถ้าไม่ดีแล้ว ตัวเองไม่ดีแล้วจะไปให้ใครช่วยได้ล่ะ <Yeah. S 2> ไปอยู่อาศัยกับใครก็ตัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝา่าฝืนเป็นคนขยันหมั่นเพียร <Yeah. S 2> ถ้าตัวมีมีควเป็นที่พึ่งของตัวได้พอเป็นที่มั่นก่ตัวได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วยเหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีก่ใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลยไปที่ไหนก็เท่าเดิมนี่ yeah. การกระทำธรรมภ า, นายนก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมอยู่เสมอที่จะรับจากฟางังจากปฏิบัติตนแก้ไขตนเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากธรรมในบทต่างๆหรือสูตรต่างๆคัมภีร์ต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะดําเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆนี่คือว่าเราเป็นเครื่องมือของเราก็พร้อมเสมอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือพึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญาหลุดพ้นเป็นอนุหนักดับด้วยการพรึ่งตนเองอื่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 เราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตถึงจะมืดมาคให้สว่างไปหรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุ ข, ขะโตขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาการแสดงธรรมก็กเห็นสุขวิจิตรจึงขออยยุติเพียงเท่านี้แม่อามาแล้ว